3. วิปัติวาระวาระว่าด้วยเป็นวิบัติ 1. ปา ร, ราชิกกันคำถามคำตอบวิบัติในปา ร, ราชิกกันปา ร, ราชกิกศิขาบทที่หนึ่ ง, ง, งถามอาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ ตอบอาบัตของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติ2อย่างคือ 1. ศสีละวิบัติ 2. อาจาระวิบัติละเเสขียกันคำถามคำตอบ วิบัติในเสขียะกันละเจ็ดปาทุกาวักละสิกขาบทที่สิบห้าถาม อาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจาระวิบัติ วิปัติวาระที่สามจบ